สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนนทักกคนชอบเล่าวันนี้ก็ตามที่นัดหมายครับพวกเราจะไปเข้าป่ากันครับเราจะเข้าป่าไปกับเรื่องราวของคุณสุริชาติเทียนแก้วที่ได้กรุณาแบ่งปันมาครับตอนนี้พร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเมื่อพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับความหวงความผูกพันที่ใช่ว่าจะมีเพียงมนุษย์อย่างเดียวที่รู้จักในสมัยเด็กๆคนเท่าคนแก่เคยเล่าให้ฟัง ถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับความดุร้ายของงูจงอางไว้มากมายโดยเฉพาะความ ห, ห่วงแหนไข่ของตัวเองยิ่งกว่าชีวิตถึงกับนํามาใช้เป็นสํานวนเปรียบเทียถึงความ ห, ห่วงแหนของคนเราต่อสิ่งที่รักมากที่สุดมีเรื่องเล่าหรือนิทานมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมจึงได้อยากนํามาถ่ายทอดให้ได้ฟังกันเป็นเพลินเมื่อครั้งกระโ น, น้นสมัยที่ป่า ย, ยังไม่แตกความสมบูรณ์ของผืนป่ายังเป็นอุปรสรรคต่อการสรัญจรของผู้คนแต่คนป่าและชาวบ้านแถบชนบท ใช้ชีวิตด้วยความสดุกสบายกับธรรมชาติที่มีมาแต่รุ่นปู่ญ้าเนื่องจากของป่ามีมากมายเหลือคนานับแม้บางปีจะอจตร์คัดเพราะความแห้งแล้งของฤดูกาลแต่ก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไรนักก็ยังพอหาเลี้ยงชีพได้ไปวันๆจนมาถึงปีหนึ่งปีนั้นอากาศแห้งแล้งและร้อนผิดปกติจนชาวบ้านบางรายเริ่มอพยพเข้าสู่เขตเมืองเพื่อหนีความแร้อนแค้นเพราะสัตว์ป่าเริ่มหายากเนื่องจากอพยพเข้าสู่ป่าลึกเช่นกัน และแล้ ว, ลวสิ่งเล็กแหลมเหมือนเล็กเสดสีกันก็แวกฝ่าอากาศดันแผดเปรี้ยงยามเชยงวันกลางเดือน5ดังยาวนานนับชั่วอึดใจใหญ่ๆสร้างความแตกตื่นและคนประหลาดใจให้กับผู้คนไป ต, ตามๆกันบรรยากาศที่อบอ้าวกลับมัวหมองลงทันทีทันใดอย่างน่าพิศวงต่างสอบถามกันหนึ่งโอนไปหมดแต่แล้วก็ยิ่งสร้างความแตกตื่นและพลันผึงหนักเข้ยาไปใหญ่ไม่ได้รับการบอกกล่าวถึงข่าวร้ายจากคนเฒ่าคนแก่ว่านี่เป็นเสียงร้องของพญางูจงอางที่กําลังจะวางไข่ ซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งเป็นสัญญาณเตือนถึงลางร้ายว่านับจากนี้สาปีถึงเปีฝนจะไม่ตกเลยตลอดช่วงระยะเวลานี้ไม่ต้องคาดเดาเลยว่าเหตุการณ์ต่อจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนนอกจากหนีจากความแห้งแล้งอดอยากแล้วยังต้องหนีจากภัยร้ายจากโจรผู้ร้ายที่เริ่มออกอลาวาตแล้วดังนั้นผู้คขาก็เลยพากันอพยพเข้าเขตเมือนกันขนานใหญ่สร้างความกังวลและหนักใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลท้องที่เป็นอย่างมาก พยายามออกมาอธิบายเหตุผลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติอย่างไรก็ไม่เป็นผลผู้คนยังคงหลั่งไหลออกมาจากป่าและเขตชนบทจนแทบจะเป็นบ้านป่าเมืองร้างจึงจําเป็นต้องหาวิธีแก้ไขให้เหตุการณ์คลี่คลายให้ได้ทางการจึงส่งเจ้าหน้าที่ออกสอดหาข้อมูลเพื่อแก้ไขสถานการณ์ก็เลยได้ข้อมูลจากคนเฒ่าคนแก่ที่พอมีความรู้เรื่องในการแก้เคล็ดครั้งนี้ได้ความว่าจะต้องมีใครสักคนหรือสักคณะหนึ่ง อาสาเข้าไปข่าหรือทําลายทั้งงูทั้งไข่ให้ดับสูญไปก็สามารถแก้เคลียดได้ฟ้าฝนก็จะตกตองตามฤดูกาลเหมือนเดิมฟังดูอาจจะงงงายแต่ไม่มีทางอื่นที่ดีกว่านี้ทางบ้านเมืองก็เลยต้องเสี่ยงประกาศหาผู้กล้าไปทําภารกิจเสี่ยงตายโดยมีเงินรางวัลล่อใจอย่างงามกระนั้นในระยะรแรกก็ไม่มีใครกล้าอาสาต่อเมื่อเพิ่มเงินรางวัลมากขึ้นก็เริ่มมีคนเสี่ยงตายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น และแน่นอนต่างทยอยตายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและเงียบหายไปก็มากจนพากันขยับไม่กล้ารับอาสางานนี้เพราะหลังการตายของผู้กล้าทั้งหลายมากตามมาด้วยอภินิหารของเจ้าจงอ่างยักษ์ที่แล้วแต่ผู้เล่าจะเสกสันตปั้นแต่งให้หน่าหวาดกลัวเข้าไว้แม้จะเพิ่มเงินรางวัลมากขึ้นก็หาผู้กล้าไม่ได้อีกแล้วในจะอดอยากในจะโจรที่ชุกชมุมในที่สุดก็กลายเป็นบ้านร้างหรือแต่เจ้าหน้าที่ที่ต้องเฝ้าสถานี เป็นวันแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเพราะต้นเสียงกับปะะัญหากับโจนผู้ร้ายผลัดกันตายกันทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนหนักทางการต้องส่งกําลังทหารเข้าปราบปรามพวกโจนก็หนีเข้าป่าออกตามล่าก็เสียเปรียบพระโจนชนานาญภูมิประเทศกว่าในทํากลางความมืดมนยังมีแสงสว่างเล็กๆ ล, ลอดออกมาจากทํากลางความสิ้นหวังชาย5้าคนปรากฏตัวขึ้นที่หน้าหมู่บ้านริมชายป่าทั้ง5้าควบรถจี๊บสีขี้มา้าไปจอดอยู่หน้ากระท่อมของชายชราไว้ใกล้ฝั่ง ที่นั่นยังมีชายไว้กลางคนและเด็กหนุ่มรุ่นกระทงอีกสองที่รอต้อนรับแขกทั้ง5้าอยู่หลังจากเสวนากันนานนับชั่วโมงทั้งหมดก็แยกแย้ายกันทําหน้าที่ที่ตกลงกันไว้ยกเว้น ช, ชายชราเจ้าของกระท่อมที่ยังปักหลักรอดูภารกิจเสียงตายของผู้กล้าร้ายใหม่ใช่แล้วนี่คืออาสาสมัครกล้าตายรายแรกในรอบหลายวันหลังจากรายสุดท้ายพากันเงียบหายไป3คนเป็นที่คุ้นกันดีของชาวบ้านคือนายอำเภอกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกสอง ส่วนอีก2คือผู้กล้าร้ายใหม่ข่าวว่าเป็นพรานผู้เชี่ยวชาญในทุกสภาพป่าที่สําคัญป ร, รับสัตว์ ร, ร้ายมานักต่อ น, นักเป็นที่ระบือลือเรื่องสําหรับคนที่เป็นพรานด้วยกันจะรู้จักกันดีทั้งสองยังหนุ่มกํายําล้าสันธรรมะถมงใต้รักแร้ทั้งสองยังเดบอาวุธปืนสั้นข้างและกระบอกปิดทับด้วยแจ็กเก็ตหนังพร้อมคาดเอวด้วยปืนสั้นอีกคนละกระบอกพร้อมเมข็มขัดกระสุนเต็มอัตราศึกแน่แล้วทั้งสองกําลังจะเปิดศึกกับเจ้าที่ชื่อว่ากันว่าแรงนัก วนนี้คงได้รู้กันว่าใครจะอยู่ใครจะไปเจ้าป่าจะยังคงอาถรรพ์หรือพรานที่ได้ชื่อว่ายอดเยี่ยมที่สุดจะฝากชีวิตไว้ในป่าเป็นรายต่อไป 1. คือพรานบุญ2คือพรานเกิดทั้งสองขี่ม้าคู่กายตามกันไปห่างๆโดยพวงเชือกจุงม้าที่เตรียมไว้อีกคนละสองตัวลัดเลาะเข้าไปในป่าจุดหมายคือรังเจ้า ง, งูจงอางยักษ์ท่ากลางใสาตาที่หลุนเอาใจช่วยด้วยใจระทึกของถึง7เมื่อถึง2อลับหายเข้าป่าไปแล้ว ทั้งหมดก็แยกย้ายกันทํางานต่างช่วยกันขนสัมภาระลงจากรถเด็กหนุ่มลูกบ้านป่าทั้งสองช่วยกันหามกระทะใบเขื่องไปที่กลางแจ้งบริเวณลานหน้าหมู่บ้านใกล้ๆนั้นซึ่งมีกองฟืนแห้งเตรียมเอาไว้แล้วนี่คือแผนปฏิบัติการหนึ่งในการกำจัดศัตรูที่กําลังไล่ล่ากันอยู่เมื่อ ล, ะ ล, ะลัดเลาะไปตามทางเดินสักระยะพ่านบุญพรานเกิดก็ผูกมัดม้าไวค้คนละตัวแล้วเดินทางต่อด้วยความชํานาญเนื่องจากสำรวจเส้นทางมาแล้วเมื่อวันก่อน หลุดจากป่าปโปร่งก็เข้าสุ่าเทือกทางเริ่มแคบเพราะเป็นทางด่านสัตว์หลังผูกไม้อีกตัวก็เดินทางต่อเพิ่มความรมะมัดระวังมากขึ้นเพราะใกล้ถึงที่หมายแล้วป่าทั้งป่าเงียบสงัดไร้วิแววของสิ่งมีชีวิตใดๆนอกจากทั้งสองและม้าคู่ตัวที่ตอนนี้เริ่มกระสับกระส่ายมันจะสำเนีกถึงภัยร้ายที่ซุกซ่อนอยู่ในทุกกรนูของป่าอัถันแห่งนี้และแล้วก็มาถึงจุดพักม้าที่สุดท้าย ทั้งสองลงจากมา้าสำรวจทิศทางลมที่ค่อนข้างยากอยู่สักหน่อยเพราะเป็นป่าทึบแม้แดดจะแรงและใบไม้แห้งกรนไปบ้างแต่เป็นป่าที่สมบูรณ์เบื้องล่างยังดูอื้มครึมจากนั้นพรานบุญก็นั่งลงกลางดาษแก่เครื่องเส้นออกมาจากไถวางบนใบพลวงและบริกรรมเวทมนต์คถาที่ตนยึดถือสถามาตลอดชั่วครู่ป่าที่สงบก็เกิดลมกันโชกวูบและหายไปบรรยากาศที่อื้มครึมก่อนหน้าก็โปร่งโล่งมาแทนที่ เป็นสัญญาณว่าป่าเปิดโล่งสะดวกหมอนในพิธีการที่ตั้งใจแล้วพรานบุญอันมาสุบสิบนัดหมายกับพรานเกิดคู่หูเก็บปืนข้างเอวไว้กับซอกหนังข้างอานมาบ่ายหน้าลันล้อไปตามสมทุมพุ่มไม้ที่ค่อนข้า่องหนาทึบลงไปทางใต้ลมจากเป้าหมายที่มาสังเกตคร่าวๆไว้แล้วในใจก็นึกภาวนาให้จะตัวปัญหาที่ก่อความวุ่นวายเดือดร้อนให้ชาวบ้านตั้งหลมตายไม่อยู่เฝ้าไข่ไม่งั้นคงเสียเวลาอีกโขในการสะกดให้อยู่หมัด ขอที่บายนิดหนึ่งสะกดอยู่แล้วค่าไม่ได้นะผู้มีอาคมเขาถือไม่งั้นของเสื่อมใช้คราวหน้าไม่ได้ผลนับประโชคดีที่รังของเจ้า ง, งูจงอางไม่ปรากฏแม่งูกกไข่ของจะออกหากินตามเคยเนื่องจากยังไม่ถึงเวลากกไข่แต่ก็คงจะใกล้แล้วเพราะนับจะเกิดเหตุการณ์ครั้งแรกก็นานร่วม2เดือนแล้วไข่สีครีมขนาดลูกมละกอยย่อมจานวนนับ78ใบปรากฏอยู่ในรังดินที่เหม็นอับ พรานบุญหลับตาพริม้มนึกบริกรรมกระถายอีกรอบก่อนจะรีบไปหยิบไข่ทั้งหมดใส่ถุงผ้าที่เตรียมมาแล้วหันหลังกลับกโง่หน้าไปหาพรานเกิดทันทีและทันทีทันใดลมพายุไม่รู้มาจากไหนก็ดังอื้ออึงตรบอบอวนไปหมดฝ่ายพรานเกิดที่เตรียมพร้อมเห็นพรานบุญหิ้วถุงผ้าฝ่าวิ่งป่าราบมาก็รู้ว่าการสําเร็จไปแล้วขั้นตน้นก็รีบยืนบังเห็นให้ เมื่อพรานบุญโดดขึ้นคล้องอันหมาสำเร็จพรานบุนก็หัวตบก้นม้าอย่างแรงจะหมาแผดเสียงร้องลั่นสนั่นป่าพุ่งถอยานไปตามทางด่านอย่างลืมตายพร้อมด้วยพรานเกิดรั้งท้ายฉับพลันใดเสียงกรีดร้องอันโหยหวนที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกอันเกรียดกราดและเจ็บปวดแสนสาหัสก็ดังชื่อเฉียนบาดลึกลงในอารมณ์ความรู้สึกของผู้ที่ได้ยินได้ฟังกระ้องไปทั้งป่าทำเอาหัวใจแทบวายสาหรับขนขวัญอ่อนบรรยากาศที่โปร่งโล่งอึดทึบอย่างกับตกอยู่ในนรก ทั้งสองโหดก้นหมาอย่างแรงไม่หยุดไม่ย่อนเ yeah, <yeah>, yeah. ย้เย้เยชวครู่ใหญ่ใหญก็ถึงที่พักม้าที่กำลังดิ้นทุรนทุรายอย่างแตกตื่นตกใจกับป่าแตกทั้งสองรีบหยุดหมาใช้มีดพกตัดบังเห็นให้สั้นแล้วตัดตัวใหม่ที่ผูกไว้กับต้นไม้ออกโดดขึ้นคร่อมควบจีตามกันไปอย่างรวดเร็วยายส่วนเจ้าหมาทั้งสงตัวผลัดแรกน้ำไหลฟูมปากเมื่อเป็นอิสระก็ควบเตลดเิดเปิดเปิงนีไม่คิดชีวิตไปคนละทิศคนละทาง ชั่วครู่ป่าที่อื้ออิงอ้ก็ดังผงผางไม้ไร่ล้มระเนรนาไม่เจ้าอสรพิษร้ายกำลังเลือล้อยปรับกลายไปตามทางดานอย่างรวดเร็วว่องไวแทบจะมองไม่ทันพรานเกิดที่ร้างท้ายได้ยินเสียงผงผา ง, งไล่หลังมาก็ตกใจก้มมองลอดรักแร้ก็เห็นเจ้างูยักษ์พุ่งปราดปราดเข้ามาใกล้เรื่อยๆเสียงก็กรีดร้องดังบาดหูทำหัวใจแทบตกไปอยู่ที่ตะตุ่มตั้งแต่ผจนภัยมาเพิงเจองูจงอางที่ใหญ่ที่สุดก็คราวนี้แต่ยังมีสติตะโกนบอกพรานบุญเสียงก้อง ไกลมาแล้วทิ้งไข่ล่อทิ้งไข่ล่อแม่สิงจะดังอื้ออึงโอนไปทั้งป่าแต่พรานบุญก็มีสติได้ยินแววแววรีบหลงไข่ออกมาฟองหนึ่งโยนลงไปข้างทางด่านแล้วควบม้ารดเหลียวไปไม่หยุดหย่อนยะยะเจ้างูยักษ์รีบหยุดดูไข่ที่ทิ้งล่อแต่แล้วก็กรีดร้องลั่นอย่างเจ็บปวดไม่เห็นไข่แตกกระจายรีบพุ่งปราดๆตามไปอย่างอาฆาตมาตรายเมื่อตามไปอีกก็เจอไข่ถูกทิ้งล่อไว้ดีบ้างแตกบ้างสุดจะแขนแสนสาหัส ร, รีบตามไปไม่ลดละ ฝ่ายสองพรานผู้หันกล้าก็ควบม้าไม่ลดละเช่นกันเมื่อเปลี่ยนม้าตัวสุดท้ายพรานเกิดก็ระเบิดกระสุนขึ้นฟ้าสามนัดป่องป่องป่องเป็นสัญญาณบอกถึงนายอำเภอและพวกว่าเป้าหมายเป็นไปตามแผนให้ทุกคนเตรียมพร้อมที่บริเวณลานกว้างหน้าหมู่บ้านกระทะใบใหญ่ถูกตั้งอยู่บนเตาที่ขณะนี้ไฟกำลังลุกชดช่วงเผาไม่อยางหนักส่งผลให้น้าที่ถูกเติมอยู่เรื่อยๆกันบางเดือดปุ ด, ปด คนคือนไปนั่งเตรียมตัวรออยู่บนรถเจบที่ขณะนี้สตาร์ทเครื่องรอเพื่อหนีหากเกิดเหตุไม่คาดหมายพลิกล็อกไม่เป็นไปตามแผนสูกครู่ก็ได้ยินเสียงผงผางเอื้อองดังขึ้นแรงขึ้นม้าสองตัวพุ่งทะยานออกมาจากราวป่ายังกับธนูลุกจากแหล่งตามมาด้วยก้อนตะมืนมหุมมาสีดําเมี้ยมตามมาติดปปปปงง เสียงปืนระเบิดดังถี่ยิบจากพรานเกิดที่หลังท้ายทำหน้าที่ข่มกันเป็นในตัวตำรวจคนขับได้สติพุ่งรถสวนเข้าไปช่วยทันควันและนั่นเองทุกคนจึงปรากฏกับสตาว่าคำร่ํำลือเป็นแท้แน่นอนสศตาที่ทุกคนเห็นขณะนี้ก็คืออสรพิษขณะเท่าเสาบ้านหน้า8ปดกำลังเลยพุ่งฝุ่นตลบตามพรานบนนาานเกิดแยกไปเอาไรเฟื่ที่เหน็บไว้หน้ากระท่อมเพื่อมาจัดการเจ้าอสรพิษร้ายยิงมันยิงมันสินซิ่งนายนอําเภอ ปปปเสียงปืนแผดสนั่นวั่นไหวฝุ่นฝุ่งกระจกระจายแต่ไม่อาจหยุดเจ้าจงอางยักษ์ได้แต่ก็สโลมันได้ชั่วขณะก่อนพุ่งตามพรานบุญไปอย่างกระชั้นชิดสาใบาสุดท้ายในถุงผ้าถูกโยนเข้าสู่กระทะที่น้ำกำลังเดือดพล่านเสียงกรีดร้องแหบโหยหัวเหมือนเจ็บปวดแสนสาหัสดังเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เจ้าอสรพิตร้ายจะพุ่งหัวเข้ า, ขาฉกไข่ในกระทะร้อนๆขณะพรานบุญควบหมาหนีสู่กระท่อม เสียงดังคลุกคลักโครกเคลกน้ำกระเซ็นซ่านประสานกับเสียงอาวุธปืนนานาชนิดชื่อใจให ญ, ใหญ่ทุกอย่างก็สงบเงียบอสรพิตร้ายพาดลำตัวส่วนหัวอยู่ในกระทะที่แต่แขงข้างน้ำหกเรี่ยราดลำตัวที่โชคเลือดฟอขนาดขนขาผิดกับตอนแรกที่เห็นไกลลิฟทุกคนได้แต่ปลงสังเวชกับการยอมตายเพื่อสิ่งเป็นที่รักของเจ้างูจงอางขณะที่กำลังสารวณกับชะตากรรมของเจ้างูร้ายอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงฟู่ดังจนหูอื้อไปหมดพอหันกลับไปมองข้างหลังเท่านั้นทุกคนก็เหมือนถูกหมุนสะกดให้นิ่งอยู่กับที่เมื่อสิ่งที่ปรากฏให้เห็นขณะ น, นี้คือเจ้าจงอ่างยักษ์อีกตัวไม่รู้มาจากไหนกำนังเหยียดตัวชูคอแผ่พังพ้านสูงทุ่มหัวและก่อนที่ใครจะได้สติสิ่งวิดวิวก็แหวกฝ่าอากาศดังระคายหูพร้อมกับเงาดำพุ่งวูบ<อ>ตามมาด้วยเสียงร้องของพวกเคราะร้ายก่อนวงจะแต ก, ะกกระจายไปคนละทิศคนละทาง หนึ่งในเด็กหนุ่มร้องอดโอยบิดตัวกระลึกลิ้งกับพื้นก่อนที่เจ้าอสรพิตรร้ายจะเล่นงานรายต่อไปปุ้งกระสุนไรเฟิลพลังขับอันมหาศาลกระพุ่งทะลุ1นึ่ลำคอ1ส่วนหัวเลือดเนื้อกร ะ, ะจายกระจายตามมาด้วยเสียงก้องกังวานอื้องจากน้ำมือของพรามไพรทั้งสองโศกกรรมที่แรกมาด้วยหยดเลือดและน้ำตาก็จบลงอย่างโศกเศร้าและอาดูนครับผมแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงขออนุญาตจบก่อนนะครับ สำหรับเรื่องราวของคนส่ริชาติเทียนแก้วจริงๆว่าจะต่อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมจามตลอดเลยหัวฟาดหัวเวียงเลยแหละฝืนไปเด็กก็ o o e. อู้อี้ยังไงก็ต้องขออภัยสําหรับท่านที่อยากฟังยาวๆนะครับเอาเป็นว่าคลิปหน้าเราก็จะเข้าปากกันต่อครับสําหรับท่านที่คอยฟังเรื่องควายกุมารของดีที่ตาให้ต่อข่าวดีครับได้รับข้อมูลมาครบแล้วไม่เกินสัปดาห์หน้าเราก็จะต่อกันให้จบครับแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับน้ําใจของทุกท่านนะครับ ทั้งกำลังใจทั้งเรื่องราวที่ส่งมาขอให้ความสุขจงเป็นของพวกท่านครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับเช่นเดิมครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมรุสติปัญญาในการดํานงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ